จะเป็นคำถามที่คิดว่าหลายๆคนคงจะทำในสิ่งนี้อยู่ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนนิยมทำกันมาก <c oughs> ก็คือการแผ่เมตตา <c oughs> นะค ะ, ะบางคนนี่ก็บอกว่าให้แผ่บ่อยๆแต่เคยเจอบางท่านเป็นผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปแผ่มากนะแผ่มากแล้วเราอ่อนแอหรือให้คนอื่นหมดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นบทแผ่เมตตาท่านฟังคงจะ จำกันได้นะคะที่สัพเพสัตตาเนี่ยให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ, อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยการแผ่เมตตามีมาแต่เดิมสมัยพุทธกาลหรือไม่แล้วที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรควรจําเป็นไหมหที่จะต้องแผ่เมตตานะคะน้ำมัสการค <c oughs> ก็คือเรื่องของการแผ่เมตตาเนี่ยอยากจะครอบเรื่องของการอุทิศบุญกุศลไปด้วยคะนะ่ะก็การแผ่เมตตาการอุทิศบุญกุศลเนี่ยนะจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ผิดทำก็ดีคะนะ่ะลักษณะต่างกันอย่างไรการแผ่เมตตาเนี่ยไม่ต้องมีบุญกุศลก็ได้ก็คื อ, อมอบความปรารถนาดีเจตนาดีหวังดี ก็สรรพสัตว์ทั้งหลายนะาส่งความปรารถนาดีทางจิตเนี่ยนะความรู้สึกที่เมตตาทางจิตเนี่ยให้กับเขาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนการอุทิศบุญกุศลเนี่ยก็คือในลักษณะที่เมื่อเร า, าสร้างเหตุปัจจัยอะไรก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะจะเป็นทางกายวาจาใจก็ตามเราก็อุทิศสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้กับเขานะอันนี้ออื เท่ากับว่าถ้าอุทิศส่วนกุศลเนี่ยคือการยกให้คนอื่นที่ทํามาเนี่ยยกให้กุศลให้คนอื่นค่ะใช่ใชนั่นก็คือเราได้ตรงๆคือการละความยึดมั่นละอุปทานอย่าในตัวเรายังได้อยู่ไหมคะยกให้คนอื่นก็าหมดแล้วตัวของเราได้ได้ยิ่งขึ้นก็คือเราได้การละความยึดมั่นถือมั่นเข้าใกล้มรรผลนิพพานมากขึ้นอ๋อค่ะเพราะว่าบุญบารมีทั้งปวงเนี่ยเราทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อมุ่งหวังสู่มรรผลนิพพานนะอ่า แล้วแผ่เมตตานี่เป็นการได้กับคนอื่นหรือได้กับเราก็ได้กับเราด้วยนะได้กับคนอื่นด้วยที่มีจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเราและเราก็เกิดความรู้สึกที่ดีกับคนอื่นนะเป็นการลดความรู้สึกที่พยาบาทเบียดเบียนอาฆาดมาดไลพี่เจ้าก็บอกให้เจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้ด้วยการสาเร็จด้วยอะไรด้วยการตั้งเจตนาค่ะนะ ตั้งเจตนาแค่นั้นเองไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแต่ถ้าจะให้ดีก็คือทำจิตให้ตั้งมั่นเมียรมันเดียวหรือว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตสงบแล้วเป็นจิตที่มีกำลังเราก็แผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลให้ในขณะนั้นนะก็จะได้ผลที่ค่อนข้างดีคือถ้าจิตตั้งมั่น ม, มีสมาธิการอ<ะ>ุิษให้จะมีผลมากกว่าจะมีผลมากกว่าแต่แผ่ก็ได้ ไม่แผลก็ไดไ้เหมือนเราไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ถ้าเราแผลก็ก็ <c oughs> กดีก็เป็นประโยชน์ <Okay. S 2> คือคือเดี๋ยว <c oughs> ขออนุญาตถามซ้ำอีกนิดนึงนะคะ <c oughs> แผลก็ได้ไม่แผลก็ได้เนี่ยสิ่งที่สมมุติเราเราไปเราไปทำบุญ จะใช้คํำว่ายังไงดีถ้าแผ่เมตตามันก็ต้องไม่ขึ้นอยู่กับที่เราทำบุญสิครเพราะแผ่เมตตาเฉยๆแล้วก็แผ่ได้เฉยๆก็แผ่ได้ใช่ไหมคะทำได้ทุกเมื่อเพราะนั้นแผ่ไม่แผ่มีค่าเท่ากันหรือว่าแผ่แล้วมีค่ามากกว่าเหมือนบวกหนึ่งเข้าไปอ๋อถ้าเราถ้าเราแผ่ล้วก็ดีกว่าค่ะได้ได้บุญบารมีได้ความเป็นกุศลจิตเพิ่มขึ้นแต่ไม่แผ่ก็ไม่เสียหายอะไม่แผ่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรค่ะแต่ว่าที่ส่วนกุศล ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องของการที่มีต้องมีพิธีกรรมมีพิธีรีตองอะไรมากมายมีจํากัดกรอบเวลามีลักษณะขั้นตอนการาแผ่ส่วนบุญอุทิศอะไรตอนอะไรเนี่ยซึ่งผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติไปเลยคนะแต่เราก็มาบัญญัติเพิ่มกันมากมายทําให้บางคนก็บอกอถ้าจะอุทิศบุญจะต้องทํำยังไงทําเวลานั้นไม่ได้เวลานี้ไม่ได้แผ่เมตตาทําอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันรู้สึกว่าวุ่นวายไปหมดค่ะคือแผ่เมตตานี่ยังไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้ยินเรื่องการจํากัดเวลาแต่ถ้าอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเคยไปอ่านหนังสือเจอบ้างไปเจอเพื่อนๆพูดบ้างว่าทําต้องทําทันทีนะหรือว่าไม่ได้เราต้องทําให้เสร็จก็แล้วค่อยมาอุทิศทีหลัง อ, อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คลายความสงสัยไปได้ว่าตอนตอนใดก็ได้ใช่ใขั้ น, อนตอนเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้บัญญัติสําเร็จที่เจตนาเราตั้งเจตนาเมื่อไหร่ก็สําเร็จเมื่อนั้นทีนี้อย่งกับเรื่องอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเคยมีเพื่อนมาบอกบอกว่า<น> เออถ้ามีญาติที่ป่วยเนี่ยนะให้บอกเขาเลยนะว่าเวลาทำบุญเสร็จแล้วหรือสวดมนต์เนี่ยให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเชื้อโรคด้วยมันยังไงคะท่าน <c oughs> <c oughs> อันนี้เคยได้ยินจริงจริงแล้วเพิง<อ>่งได้ยินมาด้วยก็อาจจะคิดมากเกินไปค่ะไม่งั้นในคั้งพุทธการเวลาอา่ทานพระสัญญารักษาโร ก, ก็เป็นอาบัติกันหมดล้มั้งใชู่เจ้าเนี<อ>่ยมองแค่ การที่อายตนะของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกั น, นตรวจจับได้พอนะอลึกไปกว่านั้นเนี่ยพอแล้วในคำวิจารไม่มีกล้องจุลทรรศน์มาคอยส่องว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่า <c oughs> บางทีก็ละเอียดเกินไปนะเป็นทุกข์อีกคือคืออาจจะอาจจะไปคิดถึงเรื่องเขาอาจจะเป็นคนที่เราเคยสร้างเวทสร้างกรรมไว้ไปนับว่าสิเชื้อโรคคือสิ่งมีชีวิตออืคล้ายๆกับสัตว์อื่นๆนะคะก็เลยอยากจะให้แผลไม่ตาอย่างนั้นออื ก็ไม่จําเป็นหรอกเดียวก็โดยหลักเนี่ยผู้เจ้าก็ให้แผ่เมตตาไปกับสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างไม่มีประมาณนั่นก็คือดีที่สุดบางทีก็จะจะมีการบอกสอนให้อาเฉพาะจอะจงดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ถามว่าหลักของผู้เจ้าทํำยังไงก็คือไม่มีประมาณคือเมตตาไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดะะเป็นใครใยากดีมีจนอย่างไรใช่ใช แล้วให้ก็ไม่มีวันหมดใช่ไหมคะของพวนี้เมตตาไม่มีวันหมดก็ให้ได้เรื่อยๆเคยมีคนบอกว่าตั้งข้อสังเกตสมมุติว่าไปเจอสุนัขดุอย่างนี้นะคะบอกว่าหยุดรแล้วนึกในใจเลยนะแถ่เมตตาให้เนี่ยหมาเดินกลับเลยมันเกี่ยวกันไหมคะต้องวัดบารมีกันหน่อยอย่างนี้แต่มีคนเล่าให้ฟังอย่างนี้จริงๆอ่ะ แล้วบางครั้งมันก็ทำให้เหมือนแม้กระทั่งตัวเราเองะเวลาอยู่ในที่ข้บขันนะคะเราก็นึกอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็แผ่เมตตาให้ก็ทำไดก้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ <ฮะ S 2> ถ้าจังหวะเหตุปัจจัยนะอุปกา ร, ร ม, มันเกี่ยวข้องกันได้พอดีมันก็ได้เหมือนกันนะก็ะไม่ใช่ว่าอาจะไม่ได้เลยหรือไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกครั้งค่ะ เพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยมันจะมาสัมพันธ์กันห ร, หรือเปล่าใ ช, ใช่กำลังจิตตอนนั้นเรามีพอดีไม้มากพอไมนะอุปรกรรมเรากับเขาเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะค่ะงทีมันก็เป็นไม่รู้มันจะเป็นความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลนั้นแต่มีอยู่จริงหรือว่าจะเป็นเพราะอุปทานเพราะว่าปิ้นแต่ตอนเป็นเด็กนะคะก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า เราขึ้นรถเมย์เนี่ยอ้าถ้า เ, าเจอคนหิ่อยคลองหนะักคนท้องเจอเด็กเนี่ยเราจะลุกยืนให้เขานั่งสมมติ อ, อ, อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่าในวันนั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีที่นั่งเดี๋ยวก็ต้องมีเดี๋ยวเราก็ต้องได้ที่นั่งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่อมันก็เป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลมาตอบตัวเองอนะคะแต่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าทําแล้วมันได้อมีอริสงสงศ์ค่ะ ก็ก็เป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้นะเพราะนั้นเรื่องเรื่องการจำแนกกรรมพวกเนี้ยนะพระเจ้าก็ไม่ให้ไปไปคิดมากไปลงระเียดมากมันมันจะเกินบริบัญยาของของระดับสาวกที่จะไปไข้ควรเรื่องนี้มากนะแล้วแต่ถามต่อสักนิดนึงนะคะว่าเออและในกรณีที่เราทำเพื่อสมมติว่าเราคิดว่าเราทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้อย่างอื่นกลับคืนมา Uh huh. กับถ้าในขณะที่เราแผ L ่เมตตาเนี a, uh ่ย huh. เราไม่คิดอะไรเลยนอกจากอยากให้เขาอย่างเงี้ย uh huh. uh huh. มันต่างกันไหมคะมันมันให้ผลต่างกันไหมเพราะอีกอันจงเหมือนกับมีกิเลส uh huh. อ๋อหรือมันมีกิเลส ท, ทั้งสองอันให้ผลต่างกันนิดนึ่นะคุณเจ้าเคยตรัสไว้เหมือนกันนะว่าในเรื่องของอาการกระทําลักษณะอย่างเงี้ยถ้ามีการหวังผลเนี่ยใช่โอเคได้สมมุติว่าไปเป็นเทวดาเหมือนกันแต่จะเป็นระดับเทวดาที่มี อต่ชั้นสูงต่างกันถ้าไม่หวังผลเนี่ยจะอยู่ในชั้นที่สูงกว่าอ๋อเทวดาวางผลนี่อยู่ชั้นล่างชั้นล่างกว่าเทวดาไม่หวังผลจะอยู่ชั้นบนจะกระโดชั้นบนขึ้นไปไหนงั้นสงสัยเทวดาชั้นล่างจะแน่นนะคะเพราะวส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คนไปไหว้พระไปทาบุญคิดว่าน่าจะกว่า5้าสเอร์เซ็นค่ะไปก็มีเป้าหมายเลย แต่ไอ้ที่แย่กว่านั้นนะคะคือถ้าพูดอย่างนี้เคยไปเจอวัดวัดหนึ่งออือก็ให้ไปไหว้พระพุทธรูป อ, อซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ออือแล้วก็จะมีเขียนป้ายวาเลยให้ขอได้ไม่เกินสามข้อ อ, อ, อ, อ, อย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการบอกเราบอกว่าท่านมาไหว้เนี่ยจงหวังผลถูกไหมคะ อ, อถ้าจริงๆแล้วหลักของผู้เจ้าเนี่ยจะหวังหรือไม่หวังก็ได้คอยู่ที่ว่าสร้างเหตุถูกต้องหรือเปล่า ถ้าสร้างเหตุได้ถูกต้องนะสมควรแก่ธรรมชาตินั้นๆ น, นนะของผลนั้นๆเนี่ยมันก็จะได้ตามนั้นพระพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยต้องการน้ํามันก็เอ า, มาเมล็ดงามาคั้นกราบใดมือเขายังคั้นอยู่เนี่ยเขาก็ต้องได้น้ํามันถึงเขาจะไม่หวังเขาก็ต้องได้น้ํามันถึงเขาหวังเขาก็ได้น้ํามันแต่ถ้ามือเขาไม่คั้นเนี่ยถึงจะหวังยังไงเขาก็ไม่ได้น้ํามันอย่างนี้อยู่ที่เหตุปัจจัยเราสร้างเหตุหรือเปล่า เพราะนั้นที่ส่วนใหญ่ไปขอแล้วได้คือระหว่างรอทำไปด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้ <c oughs> เป็นเหตุเป็นผลของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเองกเออ็เข้าใจนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเราทำบุญเรามีจิตที่เป็นกุศลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้กุศลเนี่ยช่วยส่ง S <S ให้เราได้ในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะมีโอกาสทำกุศลต่อไปนะคะดังน um ั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพี <S <s ยงแต่ว่าที่ต้องถามเพราะอยากให้ได้ความรู้ที่แท้จริงทองแท้ว่าพุทธเจ้าที่ได้ทรงแนะทางรอดของเราเนี่ยนะคะว่าได้ทรงสอนว่เป็นอย่างไรจิตที่บริสุทธิ์นี่ดีที่สุดมันได้เองจากความบริสุทธิ์ของเจตนานั้นทั้งการแผ่เมตตา ท่าอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับว่าต้องแผ่แผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้การอุทิศส่วนกุศลก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีกําหนดว่าวิธีการที่ถูกต้องหรือเวลาที่ถูกต้องควรจะอุทิศตอนไหนอย่างไรอยู่ที่เจตนาเป็นสําคัญนะคะสรุปก็คือทําดีเนี่ยขอให้ทำเถอะไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขค่ะแล้วก็ ละกิเลสโลกโกรธหลงเนี่ยอย่าไปหวังอะไรมากนะคะคือที่จะทำให้จิตเศร้าหมองออวันนี้ารายการถามโลกตอบธรรมของเราเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าอยู่ในโลกใบนี้เราช่วยกันทำให้โลกมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยวิธีการที่คิดว่าการเริ่มที่ตัวเองสำคัญนะคะใช่เคยได้ยินพระบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่อง หน้าที่ของคนคนคนหนึ่งออื mm hmm. ควรจะต้องทําอะไร mm hmm. ที่เป็นเรื่องที่ถกเนี่ยคะ่ะ mm hmm. ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เรื่องที่ถกไหมคะ mm hmm. mm hmm. ่ะเป็นเป็นข้อธรรมะที่คิดว่าเราควรจะเอามาคุยกัน mm hmm. ในโอกาส ต, ต่อๆไป mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะว่าเข้าใจว่าถ้าหากว่าทุกคนทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราพึงต้องกระทําต่อคนที่อยู่รอบตัวให้ถูกต้องแล้วออื mm hmm. สังคมก็จะดีแล้วก <laughs> ็เ <Beij> ป <vrai> ็นการเริ่มต้นที่ตัวเราซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญเพราะทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าเราหวังว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ใแต่บางทีเราไม่ได้ทําหน้าที่ที่ดีของเราอย่างนี้หน้าที่ของมนุษย์จริงๆแล้วจะว่าไปมันก็มีมีมากไหมคะพุทธเจ้าว่าไว้ก็ก็ไม่ไม่มากอะเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องรอบตัวเรา เกี่ยวกับอุบาจานเกี่ยวกับปิดามันดาเพื่อนฝูงมิสหายทำอย่างไรภรรยาสามีท้าทกรรมกรคนใช้เราทำอย่างไรอย่างเงี้ยก็จะบอกไปหมดรอบตัวเราและก็ยังใช้ได้กับยุค ป, ปัจจุบันก็นยังใช้ได้ดังนั้นเนี่ยจองเอาอไว้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นคำถามในวันอื่นต่อๆไป